เจ็ดเดือนบรรลุธรรมเดือนที่สฐานที่มั่นของอุปาทานแม้ว่าครึ่งหลังของเดือนที่สามท่านจะออกอาการเดินกระโผปลกกระเพลกบนเส้นทางสู่มรรคผลหน่อยแต่อย่างน้อยการเปลีกวิเวกบำเพญเพียนในช่วงต้นเดือนก็ทำให้เห็นซึ้งลงไปถึงระดับสภาวะธรรมเกิดดับชัดเจนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรูปธรรมหรือนามธรรม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 ย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นสิ่งที่ทําให้ฉันสับสนในเบื้องต้นก็ได้แก่สัพท์คือขันนั่นเองที่แรกฉันนึกว่าขันคืออะไรอย่างหนึ่งแต่ความจริงขันแปลว่ากองอาจง่ายขึ้นถ้าคิดถึงคําว่ากองทัพซึ่งมีทั้งกองทัพ บ, บกกองทัพอากาศและกองทัพเรือถ้าสมมุติให้กองทัพหนึ่งเท่ากับหนึ่งขันก็ต้องเรียกเหล่าทัพทหารทั้งหมดว่า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 คราวนี้ไม่ใช่เพียงไว้สำหรับใส่บ่าแบกหามเล่นแต่รู้เพื่อนำมาเป็นเครื่องกำหนดสติเอามักเอาผลกันจริงจังต่อไปขันแยกเป็นห้ากองได้แก่หนึ่งกองรูปได้แก่เหล่ารูปประทมทั้งหลายอันเป็นส่วนของกายนับแต่ผมขนเล็บฟันหนังที่เห็นได้ส่วนผิว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 แท้ที่จริงหาได้มีความเป็นรูปมนุษย์ก้อนเดียวอันเดียวแต่อย่างใดการที่ฉันฝึกสติจนเห็นลมหายใจชัดก็คือเห็นภาวะพัดไหวของาธาตุลมหรือเมื่อฝึกสติเห็นความร้อนขณะเป็นไข้ก็คือเห็นภาวะระอุของาธาตุไฟเมื่อเห็นาธาตุลมและาธาตุไฟโดยความเป็นของแปรปรวนได้เกิดแล้วต้องดับลงเป็นธรรมดา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 เช่นถ้าเปลี่ยนเป็นทุกขเวทนาทางกายเพราะป่วยไข้หรือแปรเป็นทุกขเวทนาทางใจเพราะคิดมากหากได้ภาวะต่างอย่างชัดเจนไว้เปรียบเทียบก็จะตระหนักว่าคนทั่วไปนั้นแท้จริงแล้วทุกโน่นทุกนี่อยู่ตลอดเวลาเพียงแต่มองไม่เห็นว่ากำลังเป็นทุกข์เท่านั้น 3. กองสัญญาคือความจาได้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 สิ่งที่ฉันจะทำไว้ในใจคือดูความพร้อมกับดูขันที่เหมาะ